เชาทุกครั้งที่ตื่นขึ้นมาพอได้ลืมตาก็คิดถึงแต่เธอห่างกันไปไม่ค่อยได้เจอได้เจอ hmm, คิดถึงเธอประจําอยู่เรื่อยมาแดดจะร้อนถึงรถจะติดวุ่นวายนานสักแค่ไหนไม่รู้ t i n k of y o อยู่ดีไหมไม่รู้เธอไหนหรือยังคนอยู่ข้างหลังคอยนับวันเวลาอยู่ใกล้กันก็ฉันแค่ห่วงขึ้นมา รมาดาเพราะฉันคิดถึงเธอ ไปคนดี